นายสารธีรับข่าวสารแล้วทำประทักษิณพระกุมารถวายบังคมแทบพระยุคลบาทของพระกุมารขึ้นรถแล้วขับตรงไปยังกรุงพารณสีพระาศาสดาเมื่อทรงประกาศความข้อนั้นตรัสว่านายสารธีจับพระบาททั้งสองของพระกุมารและกระทําประทักษิณพระกุมารแล้วขึ้นรถเข้าไปสู่ประตูพระราชวัง บรรดาคำเหล่านั้นคำว่านั้นตัดสะเป็นต้นความว่าภิกษุทั้งหลายนายสารธีนั้นจับที่พระบาททั้งสองของพระกุมารนั้นกระทำพระทักษิณแลว้วขึ้นรถเข้าไปสู่ประตูพระราชวังในขณะนั้นพระนางจันทาเทวีเผยพระแกลคอยแลดูการมาของนายสารธีด้วยใคร้จะทรงทราบว่า ความเป็นไปของลูกเราเป็นอย่างไรเนอะพอท่บพระเนธเห็นนายสารถีกลับมาแต่ผู้เดียวก็เป็นประหนึ่งพระหัถไทยจะแตกทำลายไปทรงคร่ำครวญแล้วพระศาสดาเมื่อทรงประกาศความข้อนั้นตรัสว่าพระชนมนีท่บพระเนธเห็นรถเปล่ามีแต่นายสารถีมาคนเดียว ก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชนทรงกันแสงทอพระเนตรดูนายสารถีนั้นด้วยเข้าพระไัวว่านายสารถีนี้ฟังโอรสของเราเสียแล้วโอรสของเรานายสารถีฝังเสียในแผ่นดินถมแผ่นดินแล้วเป็นแน่ปัจจามิตรทั้งหลายจะยินดีศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเป็นแน่เพราะเห็นนายสารถีมาแล้ว เพราะฟังโอรสของเราแล้วพระชนนีท่อพระเนตรเห็นรถเปล่านายสารถีกลับมาแต่ผู้เดียวก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชนทรงกันแสงตรัสสอบถามนายสารถีนั้นว่าโอรสของเราเป็นใบ้หรือเป็นง่อยหรือพูดอะไรบ้างหรือในเวลาที่ถูกท่านฝังในแผ่นดินจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเถิด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 ภูมิวัฒโนความว่าลูกของเรานั้นถูกฝังในแผ่นดินถมพื้นดินเป็นแน่คำว่าทรงกันแสงแล้วตรัสสอบถามนายสารถีนั้นโรทันตีนางปริปุชติความว่าพระนางจันทาเทวีตรัสสอบถามนายสารถีผู้หยุดรถไว้ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วขึ้นปราสาทถาวายบังคมพระนางแล้วยืนณที่ควรแห่งหนึ่งคำว่าบ้างหรือกิ น, นุความว่าลูกของเรานั้นเป็นใบ้และเป็นง่อยเปลี้ยจริงหรือคำว่าในเวลาตะทาความว่าในเวลาที่ท่านวางเขาในหลุมแล้วเอาสันจอบทุบศีรษะคำว่าถูกท่านฝังในแผ่นดิน นิหันยะมาโนภูมิยาความว่าเมื่อถูกท่านฝังในพื้นดินเขาพูดอย่างไรบ้างข้อว่าจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเถิดตังเมอัขขาหิความว่าท่านจงบอกเรื่องทั้งหมดนั้นอย่าให้คลาดเคลื่อนคําว่าเคลื่อนไหววิวัตตยิความว่า ลูกของเราเขาไหวมือและเท้าพร่ำกล่าวกับท่านว่าปลีกไปสารถีท่านอยากฆ่าเราดังนี้บ้างหรือไม่ลำดับนั้นนายสุนันทสารถีกราบทูลพระนางว่าฆ่าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าโปรดประธานอภัยแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอกราบทูลตามที่ได้ฟังได้เห็นในสำนักพระราชโอรสแต่พระองค์ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโปรดประธานทัตชาสิความว่าถ้าพระองค์จะพึงประธานอภัยนายสุนันทสารถีนนั้นคิดว่าถ้าเราจะกราบทูลว่าพระโอรสของพระองค์ไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนง่อยเปรี้ยไม่เป็นคนหนวกมีพระดารัสไพระเป็นธรรมกะถึกดังนี้พระราชาจะพึงมีพระดาริว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงไม่พาลูกของเรานั้นมาพึงกลิ้วสั่งลงพระราชอาญาแก่เราแน่เราต้องขอประทานอภัยเสียก่อนจึงกราบทูลคำนี้ลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีจึงตรัสแก่นายสารถีนั้นว่าแน่นายสารถีผู้สหายเราให้อภัยแก่ท่านท่านไม่ต้องกลัว จงกล่าวตามที่ท่านได้ฟังหรือได้เห็นในสำนักของพระราชโอรสแต่นั้นนายสารชีกราบทูลว่าพระราชโอรสนั้นมิได้เป็นใบมิได้เป็นง่อยเปลี้ยพระองค์มีพระวาจาสละสลวยได้ยินว่าพระองค์กลัวราชสมบัติจึงได้ทรงทาการลวงเป็นอันมากพระองค์ทรงระลึกถึงชาติกน่นที่พระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็งพระองค์เสวยราชสมบัติในการนั้นยีสิปีแล้วต้องหมกไหม้อยู่ในนรก8ปดห0ื่นปีพระองค์กลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้นทรงอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลายอย่าพึ่งอภิเสกเราในราชสมบัติเลย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 ข้าพระองค์จะนำเสด็จพระแม่เจ้าไปให้ถึงที่ที่พระเตมียราชโอรสประทับอยู่บรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีพระวาจาสละสลวยวิสัทธวจนโนได้แก่มีพระดำรัตปริสุทธิ์ข้อว่าได้ทรงทาการลวงเป็นอันมากอากราอาละเยพระหูความว่า ได้กระทําการลวงพระองค์เป็นอันมากคําว่ามีพระปัญญาปัญโยได้แก่มีปัญญาคําว่าถ้าพระแม่เจ้าจะเจตวังความว่านายสารถีกระทําพระราชาให้เป็นธุระกราบทูลอย่างนี้กับทั้งสองพระองค์นั้นคําว่าที่ประทับอยู่ยัตถะสัมมติความว่า นายสารถีกราบทูนว่าพระโอรสของพระองค์ทรงรับปฏิญญาไว้กับข้าพระองค์ประทับอยู่ณที่ใดข้าพระองค์จักพาพระองค์ไปณที่นั้นควรรีบเสด็จไปโดยไม่เนื่นช้าปายเตมิยะกุมารครั้นส่งนายสารถีไปแล้วใครจะทรงผนวดครั้งนั้นท้าสักกะเทวราชทรงทราบ พ, พระหัตไทยของพระกุมาร น, นั้น จึงตรัสั่งพระวิสุกรรมเทพบุตรว่าพ่อวิสุกรรมพระเตมียกุมารใครจะทรงผนวดท่านจงไปสร้างบรรณาศาลาและเครื่องบริขารแห่งบรรพชิตแก่พระกุมาร น, นั้นพระวิสุกรรมเทพบุตรรับเทวโองการแล้วลงจากสวรรค์ในรมิตอาสมขึ้นในราวป่าสามยอในรมิตที่พักกลางคืนและกลางวันและสะบุกครณี ทำสถานที่นั้นให้สมบูรณ์ด้วยต้นไม้มีผลไม่จำกัดการเนรมิตที่จงกรมประมาณ24ศสอกในที่ใกล้บรรณศาลาเกลี่ยทรายมีสีดังแก้วผลึกภายในที่จงกรมและเนรมิตเครื่องบริขารสำหรับบรมพชิตทุกอย่างแล้วเขียนอักษรบอกไว้ที่ฝาว่ากุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งใครจะบวช จงถือเอาเครื่องบริหารสําหรับบรรพชิตเหล่านี้บวชเถิดแล้วให้เนื้และนกใกล้อาสมหนีไปแล้วเสด็จกลับไปยังที่อยู่ของตนขณะนั้นพระมหาสัตท์ทพระเนตรเห็นอาสมบดนั้นทรงอ่านหนังสือแล้วก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะเทวราชประทานให้จึงเสด็จเข้าบรรณศาลาเปลื้องภูษาของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดง ทรงห่มผ้านั้นผืนหนึ่งทําหนังเสือเฉวียงพระอังศาทรงผูกมณทนชดายกขาดพาดพระอังศาทรงถือทานพระกนเสด็จออกจากบรรณศาลา <c oughs> เมื่อจะให้สิริแห่งบรรพชิตเกิดขึ้นจึงสเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาทรงเปล่งอุทานขึ้นว่า <c oughs> การบรรพชาที่เราได้แล้วเป็นสุข <c oughs> เป็นสุขยิ่งเนอ <c oughs> แล้วสเสด็จเข้าบรรณศาลา ประทับนั่งบนที่ลาดด้วยใบยไม้ยังอภิน ญ, ญาห้าและสมาบัตร8ให้เกิดสเสด็จออกจากบรรณศาลาในเวลาเย็นเก็บใบหมากเมาที่เกิดอยู่ท้ายที่จงกรมนึ่งในภาชนะที่เท้าสักกะประทานด้วยน้ำร้อนอันไม่มีรสเค็มไม่มีรสเปรี้ยวไม่เผ็ดเสวยดุดบริโภคอมรุตรสเจริญพรมวิหารสี่ สำเร็จอิริยาบทอยู่ในที่นั้น